เรื่องนี้เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วกับครอบครัวเราที่ไปเที่ยวต่างจังหวัดแห่งหนึ่งทางภาคเหนือด้วยจํานวนคนเยอะจึงเช่าเหมารถตู้เพื่อไปใช้ในการเดินทางในการเดินทางขึ้นดอยแห่งนี้มีเพียงป้ายบอกทางเล็กๆถนนค่อนข้างคดเคี้ยวไม่มีรถคันอื่นระหว่างทางด้านบนค่อนข้างสงบเมื่อถึงที่พักก็จัดแจงเช็คอินและลอเข้าห้องพักบรรยากาศดีมากๆ แม้แดดจะแรงแต่อุณภูมิค่อนข้างต่ำ 18-19 องศาเหมาะแก่การมาเที่ยวชมดอกไม้ต้นไม้และพักผ่อนอย่างมากเมื่อเดินเล่นชมความงามของธรรมชาติระหว่างรอเข้าห้องประมาณ15นาทีหลังจากนั้นในเดินทางไปยังห้องพักเดินผ่านสวนดอกไม้ตามทางเดินเล็กๆ ก, ก็จะเจอห้องพักแบบเป็นบ้านไม้แยกเป็นหลังๆเรียงรายอยู่ด้านหลังบ้านพักเป็นป่า ด้านหน้าเป็นทางเดินหินกรวดเล็กๆเมื่อจัดของกันเสร็จบางส่วนก็พักผ่อนเพราะมีสมาชิกบางส่วนเป็นผู้สูงอายุพอได้เวลาเราก็ออกมารับประทานอาหารกันตอนเย็นนั่งคุยไปทานอาหารไปจนเสร็จประมาณสองทุ่มเป็นเวลาปิดของร้านอาหารเด็กๆพาผู้สูงอายุกลับไปที่พักบางส่วนก็เดินเล่นถ่ายรูปกับสุ้มดอกไม้ต่างๆเมื่อถึงเวลาพนักงานที่อยู่ร้านอาหาร ก็ปิดประตูร้านและกาลังรีบเร่งขี่จักรยานกลับบ้านที่นี่ทุกอย่างปิดหมดไม่มีคนออกมาเดินเพ่นพ่านไม่มีเสียงผู้คนใดๆเรารู้สึกเกิดอยากคิ้วขึ้นมาเลยเดินเล่นเพียงลำพังเหมือนากาศโดยรอบมืดมากมีเพียงแสงไฟส่องเป็นบางจุดจากหลอดไฟตามเสาไฟตามซุ้มดอกไม้ต้นไม้แล้วก็ดวงไฟหน้าห้องพักฤดูหนาวนี้มือมองขึ้นไปบนท้องฟ้า มีเพียงดวงดาวสีเงินระยิบระยับมากมายอยู่บนท้องฟ้าที่ดำมืดจึงเดินเล่นโดยรอบที่พักโดยถือโทรศัพท์เปิดหน้าจอสว่างเต็มที่ส่องเดินตามทางเมื่อเดินไปด้านหน้าทางเข้าถนนเป็นทางตรงกว้างประมาณ5เมตรซึ่งลงต่อไปจะเป็นถนนโคดเคี้ยวทางที่รถตู้ขับขึ้นมาด้านล่างมีดวงไฟเล็ก จากที่มองดูไม่ไกลมากใจเกิดนึกสนุกขึ้นมาเขาใจว่าเป็นร้านค้าหรืออยากได้ไอศครีมเย็นๆสักแท่งนึกแล้วก็ฟินเพราะตอนนั้นอากาศเริ่มเย็นลงกว่าตอนกลางวันกะว่าจะซื้อมาฝากเด็กๆ ด, ด้วยเมื่อเดินลงไปเรื่อยๆใช้ไฟจากโทรศัพท์สองเครื่องส่องดูทางขณะเดินส่องได้นในระยะใกล้ๆเท่านั้นตามทางมีกรวดลอยอยู่ <c oughs> ก็จะมีเสียงดังสวบเป็นเสียงกรวดกระทบกัน ด้านข้างเป็นกอหญ้าสูงขึ้นประมาณเกือบเท่าตัวคนลมพัดเย็นพัดมาเอ่ยๆไม่มีเสียงมันเงียบมากมีเสียงแมลงกับพวกกบพวกเขียดอยู่บ้างเป็นระยะเดินไปสักพักอยู่ๆก็เริ่มรู้สึกเสียวสลังวาบขึ้นมาและมองไปรอบๆพร้อมส่องไฟไปด้วย สักพักก็เริ่มมีเสียงก้อนกรวดกระทบดังส ว, สวบสวบสวบในใจคิดทันทีว่ามีคนเดินตามมาจึงหันไปมองตามทิศที่มาของเสียงแต่ไม่เห็นใครเดินมาตอนนั้นรู้สึกกลัวนิดๆิดเริ่มคิดถึงสิ่งที่มองไม่เห็นจึงข่มใจเดินต่อพยายามนึกแค่ว่าถ้าเดินถึงร้านค้าแล้วจะซื้ออะไรบ้างเพื่อข่มความกลัวแต่ก้าวขาแทบไม่ได้แล้วการเดินทางของเราช้าลงรู้สึกจะขาช้าขึ้นมาซะดื้อ เสียงเดินมันใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาทุกทีเหมือนกําลังเคลื่อนตามมาหาเราหากเป็นคนมันไม่ใช่เสียงคนคนเดียวเดินแต่มันเป็นเสียงของฝีเท้าคนหลายคนกําลังเดินตามมาด้วยความหวาดกลัวจึงค่อยๆหมุนโทรศัพท์ไปทางขวาพร้อมกับเหละตาไปด้านขวาข้างทางที่มีต้นหญ้าขึ้นสูงทันใดนั้นไม่รู้ว่าด้วยแรงลมเอือเอ่อยๆหรืออะไรบางอย่างหญ้ากอหนึ่งก็แวกออกจากกัน แต่สิ่งที่เห็นไม่มีใครอยู่ตรงนั้นตอนนั้นบอกตรงๆว่าสติเริ่มแตกกระเจิงด้วยเสียงของก้อนกลวดที่เหมือนคนกำลังเดินตามมาและกอหญ้าที่แหวกออกจึงหันซ้ายและวิ่งโดยทันทีอย่างสุดชีวิตเราได้ยินเสียงเหมือนฝีเท้าที่วิ่งตามเรามาตอนนั้นไม่คิดอะไรวิ่งอย่างเดียวสายตาเหลือบเห็นอะไรบางอย่างสีอ่อ น, ออนคล้ายสีขาวที่กอหญ้าข้างทางด้านหน้าใกล้พอสมควร มันโปล่เด่นออกมาจากความมืดมันเป็นสีสว่างเหมือนผ้าพริ้วๆวิ่งมาเรื่อยๆจึงหันไปมองมันด้วยความงงกับสิ่งที่เห็นสมองไม่มีตะ ก, กะไปชั่วขณะสิ่งที่มองเห็นเป็นลักษณะของคนยืนอยู่ใส่เสื้อขาวยาวกว่าเสื้อที่เราใส่ปกติเหมือนเป็นชุดคลุมผ่าด้านหน้ายาวลงมาประมาณเขา่าท่อนล่างมองไม่เห็นมันค่อนข้างมืดจึงเห็นเฉพาะเสื้อเมื่อวิ่งผลสิ่งนั้นไป ก็เป็นทางเข้าที่พักมีโคมไฟติดอยู่รู้สึกอุ่นใจขึ้นมากและทุกอย่างก็กลับมาสู่สภาวะปกติไม่มีเสียงตามมาแล้วจึงหันหลังไปมองด้วยอัตโนมัติจากจุดที่แสงจากโคมไฟส่ายไปเป็นระยะที่มองเห็นสิ่งต่างๆได้ประมาณ56เมตรบรรยากาศที่เริ่มไล่เฉดความมืดมันจะมืดขึ้นเรื่อยๆมองเห็นเป็นเงาดําลางๆของคนยืนอยู่มากรีบหันหลังกลับทันทีและ ว, วิ่งต่อไปจนถึงที่หน้าห้องพักเคาะประตูเรียกอย่างแรง กระจกบางๆบนประตูไม้หน้าห้องสะเทือนเสียงเหมือนพร้อมจะแตกได้ทุกวินาทีเมื่อเข้ามาก็ไม่มีใครถามอะไรเพราะแต่ละคนนั่งกดโทรศัพท์กันอยู่จึงเดินพุ่งพลุดเข้าไปในห้องน้ําล้างหน้าล้างตาเพื่อดึงสติกลับมาและคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในใจคิดว่าอย่างเดียวว่าคือผีผีอย่างเดียวเท่านั้นคนอะไรเยอะแยะจะมาเดินในที่มืดๆและไม่ส่งเสียงอะไรเลยประกอบกับสิ่งที่เห็นชุดขาวยาว เพีวไม่น่าจะใช่เครื่องแต่งกายที่คนปกติจะมาใส่เดินเล่นมื ด, มดหลังจากนั้นหลังจากนั้นจึงเข้านอนบนเตียงภายในห้องมีเตียงใหญ่2เตียงจากประตูห้องเข้ามาด้านซ้ายหนึ่งเตียงและถัดมาอีกสองเตียงด้วยความกลัวจึงนอนเตียงที่สองตรงกลางนอนตัวคุดตัวคูเช้ามาได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับคนที่บ้านเขาเลยบอกกลับมาว่าที่นี่เชื่อกันว่ากว่าจะสร้างมาได้สวยงาม ต้องแลกด้วยชีวิตคนในพื้นที่เพราะการก่อสร้างทั้งถนนที่พักบนเขาสูงมันเสี่ยงมากทางก็ชันอาจเกิดอุบัติเหตุกันได้และอีกอย่างคือป่าแถบนี้ในอดีตมีสงครามของคนในพื้นที่เพราะอยู่ใกล้กับเขตชายแดนเมื่อฟังแล้วก็ขนลุกอีกรอบยกมือพนมขึ้นหนึ่งครั้งคิดในใจว่าข้าพเจ้าจะมาเที่ยว ไม่ได้มาลบหลู่หรือสร้างความเสียหายบรบกวนผู้ใดหลังจากจัดการทุกอย่างเสร็จก็เดินทางออกจากที่พักจากหน้าทางเข้าออกมาไกลประมาณ 1... กิโลเมตรจึงจะถึงทางลงดอยตามที่เมื่อคืนเรามองเห็นตอนลงพยายามจดจ้องอยู่กับข้างทางคือติดใจตรงที่ไฟร้านค้าที่เห็นมันเป็นไฟจริงๆเห็นเป็นลักษณะเต็นเลยแต่อยู่ไกลๆลงมาทางลงดอยสรุปคือตั้งแต่ข้างบนลงมาถึงตี ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อติดตามเรื่องใหม่ๆด้วยนะครับ